เพิ่งพากันตั้งใจบันดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฝึกตนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นไม่อ้างการอ้างเวลา เพราะพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อที่จะให้เราพิสูจน์และปฏิบัติตามพระธรรมที่พระองค์เจ้าทรงสแสดงนั่นก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของคนเรานี้เอง <c oughs> ในเมื่อกายวาจาใจ นี่ยังมีอยู่พระธรรมก็มีอยู่ให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นในพระธรรมในพระธรรมมาจากกัปวัตนสูตรก็ทรงแสดงถึงเรื่องของความทุกข์ กล่าวโดยเนื้อความแล้วนะแสดงถึงเรื่องของความทุกข์แสดงถึงเหตุให้เกิดทุกข์แสดงถึงความดับทุกข์แสดงถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่พระองค์เจ้าที่ให้พิกษุปัญจวคีทั้งห้านะั้น ไม้เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์ความที่ได้ลำพันเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ถูกนิสัยกันก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่ทรงชีให้กุฏิวาริสัตทั้งหลายให้รู้จักทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ให้รู้ให้เห็นไอ้ทุกข์เหล่านี้นะมันเป็นผลนะผลของความเกิด เมื่อเกิดมามีรูปมีนามอันนี้มาแล้วทุกมันก็มีมาพร้อมกันถ้าไม่มีรูปไม่มีนามอันนี้ทุกก็ไม่มีอันนี้รูปนามอันนี้มันเกิดมาได้อย่างไรมันเกิดมาได้เพราะจิตใจมัน ยึดมั่นอยู่ในตัณหาความอยากความอยากให้รูปให้นามอันนี้อยู่ยั่งยืนนานอยากให้รูปร่างอันนี้สวยสดงดงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งอยู่อย่างนั้น หาปัจจัยสี่มาบำรุงมันเรามาได้ใช้มันทำบุญกุศลคุณงามความดีให้มากทำก็ทำนิดนิดหน่อยๆส่วนมากจิตใจก็ไปเพลินไปแต่การแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้ไม่บำรุงจิตใจของตน ด้วยการสั่งสมบุญกุศลไปสะสมแจบาปอากุศลให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นทุกคนเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันเนี้ยก็อเอาบาปเป็นเพื่อนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่รู้จักเหตุที่เกิดทุกข์นั้นไอ้บุคคลทำบุญกุศลทำความดีอันนั้นมันก็เป็นตันหาอยู่เหมือนกันเนี่ยตันหาอยากได้บุญอยากมีความสุขแต่ว่ามันเป็นตันหาฝ่ายดีมันนำชีวิตจิตใจอันนี้ให้มีความสุขสูงขึ้นไปโดยลำดับ ถ้าไม่มีบาปมาแทรกแซงแล้วมันก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปทำบุญมากเท่าไรก็มีความสุขมากเท่านั้น <c oughs> แต่ที่คนเรามันมนพ้นทุกข์ไปไม่ได้โดยเร็วก็เพราะตัณหาฝ่ายอากุศลนี่แหละความอยาก ไปในทางบาปอากคุสนเราก็ใช้กายวาจาทำไปในทางบาปอากคุศลบาปอาคุศนก็น่งเหนี่ยวชีวิตนี้ให้จมอยู่ในโลกทสงสารอันนี้ทนทุกข์ทรมานอยู่นี่นี่มันต้องให้รู้จัก เหตุให้เกิดทุกข์เป็นข no ั้นๆไปเมื่อรู้จักว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในขั้นต้นได้แก่ตัณหาความอยากไปในทางบาปทุจริตรู้อย่างนี้แล้วก็เพียนละความอยากอันนี้ออกไปก่อนพยายามฝึกใจเครื่องทน ให้มันอยากไปแต่ในทางสุดจริตทำอะไรพูดอะไรก็ให้มันตรงต่อศีลตรงต่อธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าฝึกได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในตนนเมื่อไม่มีบาปอยู่ในตนแล้ว ทำอะไรพูดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปเรื่อยๆคิดอะไรก็เป็นบุญกุศลต้องให้เข้าใจอย่างนี้พพระพุทธเจ้ายัางได้ทรงตรัสว่าอาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหาอาศัยมานะนั่นแหละละมานะ ก็อาศัยตันหาฝ่ายดีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> อาศัยมานะก็ะมานะแปลว่าความถือตัวถ้าน้อมไปในทางดีก็หมายความว่าไอเรานะีได้เกิดเป็นมาเป็นมนุษย์แล้วไม่นควรที่จะทำความชั่วให้ตัวตกต่ำลงไป ควรยกตนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะมันแสนยากกลัวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละชาติเพราะว่าเส้นอย่างชาตินี้เกิดมาแล้วไปทําบาปกรรมมากกว่าทาบุญใส่ตัวไว้อย่างนี้ตายแล้วบาปกรรมก็ นำไปสู่นรกอบายภูมิไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานนี่กลัวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยีงไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันนี่ตะตันหาฝ่ายบาปนี่มันทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้านานพ้นทุกข์พ้นภัย เ้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ถ้าม่เห็นความเป็นมนุษย์นี่เป็นของประเสริฐแล้วคนนั้นก็ไม่อยอมใช้กายวาจาใจนี่ไปทำความชั่วแล้วแบบนี้รักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์ไว้ในมนุษย์ผู้มีบุญมากเกิดมาแล้ว ก็มาบุญกุศลก็มาโดนบันดาลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารให้เห็นว่าการทำบาปการเบียดเบียนกันมันเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้โลกหน้าจริงๆทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้พ้นจากการทำบาปเหล่านี้ เ, ออเมื่อเราเกิดมาพบศาสตร์สนานี้ใจมันก็นึก น้อมไปในทางพุทธศาสนาในการเป็นนักบวชก็มองเห็นในทางบวชนี่เป็นทางเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยเป็นทางเว้นจากความผูกพันอยู่ในกามทุกข์ทั้งหลายด้วยบุคคลผู้ใดมาคิดเห็นเช่นนี้แล้วก็ถึงได้น้อมไปในทาง บพระชาอุปสมบทชื่อว่าเป็นผู้มีมานะในทางที่ดีไม่ยอมใช้ชีวิตอันนี้ให้ไปทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองพระพุเทธเจ้าทรงตัดไว้ในอนภรณกกาปฏิปทานนะ คือข้อปฏิบัติในผิดสามอย่างได้แก่บันพชาอุปสมบท เ, เป็นการเว้นจากเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่พระองค์เจ้าแสดงไว้มันชัดเจนเลยเมื่อเรามาพิจารณาดูคำนี้มันก็ถูกต้อง เราะเป็นนักวดนี่มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ได้ทำบาตอเราเที่ยวโควจรบินทบาทไปตามถนนนุ่นทางตามกรอกตามซอยใครใส่อาหารให้อย่างไรเราก็รับเอาอย่างนั้นจะเป็นอาหารที่ มีรถเลิศหรือไม่มีรถเลิศ ก, ก็ช่างเยวเราถือสันติธตามมีตามได้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพคนทำบาปกรรมในโลกอันนี้มันเพราะอาชีพนี่แหละเป็นส่วนหลายเลยทีเดียวพิจารณาดูให้มันเห็น เพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องกินต้องใช้ไม่มีปัจจัยสี่บำรุงร่างกายอันนี้ก็อยู่ไม่ได้เลยทีนี้คนที่บุญน้อยปัญญาก็น้อยเกิดมาอยู่ในฐานะยากจนไม่สมบูรณ์ด้วยดาบส ก, การะต่างๆอย่างนี้ นี่นะมันเป็นเหตุให้บุคคลไปทำบาปแล้ววันนี้แสวงหาอาหารการบริโภคก็ดีต้องไปค่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเสแวงหาผ้านุ่งผ้าห่มถ้าจะไปต้องการผ้านุ่งห่มที่ราคาแพงๆตนก็ไม่มีเงินเงินก็ไม่พอค่าผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านั้น จำเป็นต้องไปวางแผนลักเอาที่ปล้นเอาอย่างนี้น <c oughs> เนี่ยเครื่องประดับประดาต่างๆงเหมือนกันเมื่อบุคคลอยู่ในฐานะยากจนแต่ว่าตัณหาความอยากนั้น มันทำให้อยากเกินภูมิเกินฐานะของทนแล้ต้องไปจี้ไปพร้นเอาของเขามามันก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้วแับนี้ <c oughs> ถ้ามันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> การเกิดมาในโลกนี้นะถ้าเป็นบุคคลผู้มีบุญกุศลหนังแต่ก่อนนั้นมา สนับสนุนให้ร่ำรวยขึ้นมาแล้ววันนี้ถ้าหากว่าคนพูกนั้นนะ่ะไม่ได้คบหาสมาคมกับนักปราดในพระพุทธศาสนาไม่ได้ฟังทำคำสอนขององค์เจ้าก็ต้องตกเป็นทาสของตันหาอุปทานอีกแล้วมีสมบัติมาบางว่าก็หวงแหนแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่ม มีแต่หามาเรื่อยมันนี่คนไม่รู้อย่างว่านั้นนะไม่รู้บาปรู้บุญนะมีเงินก็ใช้เงินเป็นอำนาจอ่มขีคนยากคนจนขูดรีดเอาจากคนจนมาสะสมไว้ให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <c oughs> รวมเรียกว่าทั้งคนรวยและคนจนเมื่อไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในใจแล้วนั่นก็หาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตเหมือนกันหมดเลยสร้างบาทสร้างกรรมใส่ตนทั้งนั้นเลยเตถ้าว่าผู้ใด เป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมากแล้วเป็นผู้มีสติปัญญาได้สะดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทกองเชนีของไปแสวงคบหาสมาคมแป่นนักปราบัณดิตหรือไปสมาคมกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านจะได้แนะนำในทางที่ถูกต้องในการทำรรมาหาเรี่ยงชีพท่านจะได้แนะนำชักจูงให้ถือสันดุถีตามมีตามได้ก็จะได้ตัดทอนตันหาอันท่วมท้นจิตใจยอยู่นั้นให้เบาบางออกไปเมื่อตันหานะมันเบาบางไปแล้ว ก็จะไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน <c oughs> เพราะฉะนั้นนะอันนี้พูดถึงไอ้ความเป็นผู้เห็นความสำคัญในความเป็นมนุษย์ของตน ไม่ยอมเหยียดตัวเองให้ตกต่ำลงไปมีแต่ยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเมธจะเป็นครือขัดก็ดํารงชีวิตยอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมธรรมมาหาเรี่องชีพก็หาเรื่องชีพโดยทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรม ถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ไม่แสวงหาแสวงหาในให้ถูกศีลถูกธรรมแม้จะได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรได้เท่าไรเราก็บริโภคใจ ส, สอยเท่านั้นเพราะว่าร่างกายสังขารอัน น, านี้แม้จะบำรุงมันด้วยปัจจัยสี่อย่าง พุ่มเผยเท่าไรมันก็ไม่กิรังยั่งยืนถึงเวลามันชำรุดทุดโทมมันก็ชำรุดไปอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พวกเศรษฐีทั้งหลายก็คงจะมีอายุยืนกว่าคนธรรมดาสามัญ น, นะลองคิดดูแต่นี่เศรษฐีบางคน อายุยังไม่ยืนเท่าคนยากคนจนซ้ำไปมีอยู่เนี่ยคนมีปัญญามันต้องรู้จักเปรียบเทียบกันดูแล้วมันจะทำให้ความอยากเหล่านั้นมันบัรเทาลงจะไม่ได้ทำบาปแม้คนร่ำรวยก็เหมือนกันเมื่อมาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายอันนี้ ไม่จีรังยั่งยืนณเช็นนี้มันก็จะบรรเทาความอยากลงได้ความอยากไปในทางทุจริตกัน อ, อ้าวไม่ชอบจะไปกอบโกยเอาสมบัติภายนอกอันนี้ในทางทุจริตมาทำไมแล้วในเมื่อร่างกายนี้นะมันชำรุดทุดโทมไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ เมื่อสะสมสมบัติไ้วยกองใหญ่ๆแล้วบ น, นี้ไอ้ตัวเองพอตายไปเสียไม่ทันได้บริโภคสมบัติไปได้นมนานอะไรเลยอย่างนี้นะมันจะดีที่ไหนล่ะเอะตายแล้วก็ไปตกนรกอย่างนี้บางคนก็อ้างว่าทําไว้เผื่อลูกเพื่อหลานแล้วที่นี่ลูกหลานเขาไปช่วยสุดดึงเราออกจากนรกได้หรือไม่ เมื่อทนไปตกนรกไม่มีทางคนเรามันไม่คิดเลยเพราะฉะนั้นก็จึงแสดงความคิดเห็นไว้ในที่นี้ให้ผู้ฟังได้เอาไปคิดเมื่อมันคิดได้อย่างนี้แนละ้วมันก็ไม่ต้องเห็นแก่ลูกแก่หลานอะไรลูกก็ดีหลานก็ดีเลี้ยงเขาใหญ่มาแล้ว สงเคราะห์เขาให้ได้ศึกษาเราเรียนมีวิชาความรู้แล้วอย่างนี้ัก็เขาก็หาเลี้ยงตัวเองได้เลยไม่จำเป็นต้องไปสะสมเงินทองก้อนใหญ่ๆอะไรมาให้เขาจิ้งโ่เงินทองถ้ามได้มาด้วยบุญได้มาโดยทางสุจริตแล้วแม้มากเท่าไหร่มันก็ไม่ เป็นบาปเป็นโทษมันก็ไม่พาไปสู่นรกอาัยภูมิอันนั้นนะว่านานาสันเนเิญบุคคลพวกนั้นชื่อว่าได้ทำบุญมาแะก่อนมากมายพระพุทธเจ้าทรงสั่งสรนเสริญคนมีปัญญาสามารถทำความดีใส่ตน ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนรเนสริญต่างๆได้ไม่ใช่พระองค์ทรงจำหนิอคนมีบุญน่ะทรงสรรเสริญอยู่พระองค์ทรงจำหนิแต่คนมีบาปเท่านั้นเองอคนทำบาปคนไม่รักตัวเองนี่นี่แหละคนไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเอง ในตัดทอนความอยากให้เบาบางออกไปจากกิจใจของตนเองทรงจำหนิว่าเป็นผู้ทำลายความสุขความเจริญของตัวเองให้ย่อยยับลงไปปล่อยให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี้ดังนั้นเนี่ย พุทธบริษัททั้งหลายก็ให้รู้จักละเหตุแห่งทุกข์ให้ได้ศึกษาเรื่องเหตุแห่งทุกข์ให้เข้าใจไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะตัณหารูปเดียวนี่แหละเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกขนะ์เมื่อความอยากนี่มันมีแล้วกิเลสอย่างอื่นมันก็เกิดตามกันมาแหละ มันกิตามกันมาความโกรธมันก็เกิดมาจากตัณหาความอยากนี่เองนะความหลงมันก็เกิดมาจากตัณหานี่เมื่อความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วมันก็ทําให้เมาอะไรแบบนี้นะอืมได้เท่าไหร่มาก็ไม่พอแล้ว เมาไปเรื่อยๆไปเหมือนยังคนดื่มเหล้าพอดื่มไปมันเมาไปแล้วคล้ายๆกับว่ามันไม่เมาไปแล้วก็ดื่มเพิ่มเติมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนว่าเดินไม่ได้จนว่าอาเจียนออกมาน่นนั่นตัญหาก็เหมือนกันอย่างนั้นเน่ย ถ้าว่าปล่อยให้มันอยากไปเท่าไรมันมันไม่มีเวลาพอเลยมันอยากเรื่อยไปอนยะ่างนั้นในที่สุดก็ถ้าไม่บุคคนพวกนั้นสร้างบาปกรรมเวรเสีตนเองเพราะความอยากอันไม่มีที่สุดนั่นเอก็ไปไม่อยู่ในอบายภูมินั้นเอมเมืม่อบุคคลมาละความอยากนี้ให้เบาลงไปเท่าไรความทุกข์มันก็บาไปเท่านั้น ถ้าละความอยากนี้ได้หมดความทุกข์ทางจิตใจนี่ก็หมดไปดังแสดงมา